ฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านก็ขอให้มีตัวรู้มีหลายๆท่านที่เคยนั่งสมาธิจิตสงบดิ่งลงไปจะให้สงบแค่ไหนก็สงบได้จนกระทั่งรู้สึกว่าร่างกายตัวตนหายหมดยังเหลือแต่จิตสว่างอยู่ดวงเดียวแต่เมื่อภายหลังพอกำหนดพับ หรือกระแทกอะไรปับ๊บจิตมันจะวูบลงไปนิดหนึ่งความคิดมันจะฟุงฟ้งๆขึ้นมาในเมื่อเป็นเช่นนั้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านหรือจะเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านก็ตามปล่อยให้คิดไปเลยเราเอาสติตัวเดียวไล่าตามรู้ไปธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นจิตกับสติเนี่ย จะเพิ่มพลังงานขึ้นสมาธิคือความมั่นคงมั่นคงต่อการจดจ่อกำหนดรู้อารมณ์สติตัวระลึกอยู่ก็จะเตรียมพร้อมอยู่ที่จิตตลอดเวลาพอจิตมีพลังทางสมาธิทางสติแก่กล้าขึ้นและไปถึงจุดจุดหนึ่งจิตจะนิ่งพอนิ่งพับสักพักหนึ่งไหวตัวปับ๊บอ้อความคิดเป็นอาหารของจิต ความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดพลังงานความคิดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดความคิดเป็นสภาวะให้เรากำหนดหมายรู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเกิดดับความคิดนี่แหละมาย่วยุให้เราเกิดกิเลสและอารมณ์ยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์ เมื่อเรามีสติตามรู้ตามรู้ตามรู้ไปอย่างนี้อีกระยะหนึ่งจิตมันหยุดกึกลงไปว่างแล้วมันจะบอกว่าอ๋อสุขทุกข์สุขทุกขทกทก์ที่กำหนดรู้อยู่นั้นนี่คือทุกข์ข้ริยาสัตย์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วต่อไปมันจะเกิดความรู้ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับ ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นดับไปมันจะมองเห็นแต่สิ่งที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับซึ่งเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาท่านัญญากณทัญญะกำหนดจิตฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาธรรมจักกับปวัตนสูตร พอท่านฟังไปฟังไปฟังไปจิตก็เพลิดเพลินไปกับกระแสธรรมพอไปถึงจุดหนึ่งจิตมันวูบลงไปนิ่งสว่างจากขงอุทปาธิจักสุบังเกิดขึ้นแล้วจิตที่ประยับยั้งอยู่ในสมาธิรู้ตัวอยู่ญาณังอุททปาธิญาบังเกิดขึ้นแล้วพอจิตไว้ตัวพับเกิดความรู้ความคิดขึ้นมา ปัญญาอุทปาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วสติสัมปชัญญะตัวพลังงานกำหนดตามรู้ความคิดตลอดเวลาพอไปรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาแล้วจิตหยุดคิดอีกพักหนึ่งพอไหวตัววิชาอุทปาธิรู้แจ้งเห็นชัดเมื่อจิตรู้แจ้งเห็นชัดความสว่างสวัยมันโผล่ขึ้นมากลายเป็นพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน จะไปตามระยะของมันอย่างนี้